ในช่วงนี้เราคงศึกษาศีลนิเทศจากคัมภีร์วิสุทธิมักทีนี้คำพีวิสุทธิมักนั้นเป็นคมภีร์ที่ยกพระพุทธพจน์หนึ่งคาถาหนึ่งคาถาก็คือสองบรรทัดนั่นแหละนะยกพุทธพจน์สองบรรทัดมาเรียบเรียงขึ้นนั น, นะโดยลําดับ คำสอนที่มีอยู่ในสูตรต่างๆมาอธิบายตามพุทธพจน์ที่ตั้งไว้นั้นนนะก็คือในหัวข้อว่าศีลสมาธิและปัญญาในศีลสมาธิปัญญานั้นข้อความที่เอามาในเริ่มต้นเลยก็คือเอามาจากชะตาสูตรเนี่ยนะในสังยุตตินิยสคาถวัค์คือช่วงหนึ่งเนี่ยเทวดาได้เข้าไปกราบทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมูสัตว์นี้รกทั้งภายในรกหรือชัดทั้งภายในรกทั้งภายนอกถูกรกชัดเนี่ยนะหุ้มห่อแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอถามพระองค์ว่าใครพึงถางรกชัดนี้ได้ก็คือกล่าวถึงเรื่องของตันหาเนี่ยนะตันหาซึ่งมันเกิดมากมายเหลือกเกินขนาดเนี่ยมันเป็นรกเป็นชัดเนีน่ยนะมันไม่ใช่ตันหาเกิดนิดๆหน่นนอยๆ มันเหมือนกับตาข่ายหรือว่ากิ่งไม้ที่มันสอดมันประสานมันเกิดได้ทุกอารมณ์อย่างนั้นใช่ไมไม่มีอารมณ์ใดที่ตัณหาไม่อาศัยเกิดอันเมื่อตัณหาเนี่ยเกิดกับทุกคนทุกแห่งทุกอารมณ์ทุกการทุกสถานที่เนี่ยอใครเนี่ยแหละคือถามคำถามเป็นบุคคลว่าบุคคลชนิดใดหรือว่าคนคนนั้นอะ่ะจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถถางอันนี้ได้้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวกออกไปได้นะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านารชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอ บ, บรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางรกชัดนี้ได้ตรงนี้เป็นข้อความที่วิสุทธิมักเอาไปขยายเฉพาะแค่นี้แหละ นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงขางรกชัดนี้ได้อ่ น, น, นอแต่ข้อความประมาณสี่สามบรรทั์ครึ่งนี้สิบอาจารย์ก็น่าจะแปลสิบอย่างเหมือนกันนเพราะในสำนวนอื่นๆก็จะแปล อ, อีกอย่างอื่นแต่โดยอัฏฐะแล้วไม่ต่างกัน่นนะ เขาบอกว่าข้อความทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นภูมิของพระเสขนะที่ว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลเนี่ยนะอบรมจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนรอดภิกษุนั้นพึงถางรกชัดนี้ได้อันนี้เป็นภูมิของพระเสขะต่อไปราคาก็ดีโทสาก็ดีอวิชาก็ดีบุคคลเหล่าใดกําจัดเสียแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วเป็นผู้ไกลาจากกิเลส ตันหาเป็นเครื่องยุ่งอันบุคคลเหล่านั้นถางเสียแล้วตรงนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์นามก็ดีรูปก็ดีและรูปปัสสัญญาก็ดีย่อมดับหมดในที่ใดตันหาเป็นเครื่องยุ่งนั้นย่อมขาดไปในที่นั้นเนี่ยนะครั้งสุดท้ายนี้เป็นชื่อของพระนิพนะพานน่ยนะพระเสขะอาเสขะและ นิพพานอันนี้ข้อความโดยสรุปก่อนทีนี้เราก็มาดูอัตถกถ า, าขยายความในพระพุทธพจน์ทั้งหมดเหล่านี้ข้อความในสารัะปกาสีนี่นนะอัตถกถ า, าที่ขยายความคำพีสังยุตติกายชื่อว่าสารัะปกาสีนี่นะอธิบายคาถานี้ว่า บันเด็เพื่อทราบเนื้อความแห่งคถาว่าอันโตชตาดังต่อไปนี้คําว่าชตาเป็นชื่อของตันหาเพียงดังข่ายก็เหมือนกับตาขายที่มันสอดมันประสานกันไว้นะจริงอยู่ตันหานั้นชื่อว่าชตาเพราะอาจว่าเป็นดุด ช, ชัดกล่าวคือขายแห่งกิ่งไม้ทั้งหลายมีกิ่งไม้ไผ่เป็นต้นด้วยอาจว่าเกี่ยวประสานกันไวนะ้เพราะเกิดขึ้นซ้ซําๆซักๆ ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยสามารถแห่งอารมณ์ทั้งสูงและต่ำเขาบอกว่าตัณหาเนี่ยนะเป็นดุจชัดก็คือเหมือนกับกิ่งไม้ที่สอดประสานคือหมายคำว่ามันเกิดบ่อยจริงๆว่า ง, งั้นเถอะถ้าพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะถามว่าเรามองเห็นแล้วเรารังเกียจอารมณ์ใดไหมนั่นนะไปอยู่ในเหตุการณ์บางสถานที่บางแห่งน่นนะ ดูภาพทั้งหมดเลยนะไม่มีระคายเคืองใจนิดเดียวไม่มีเลยนะเมื่อเห็นภาพทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกระคายเคืองทางความคิดเลยนั่นแหละขอให้รู้เธอว่าตัณหาเกิดบริสุทธิ์เลยไม่มีอย่างอื่นแทรกเลย น, นะสมมติว่าเราดูเสื้อตัวหนึ่งเลยนะตั้งกับตั้งกับข้างบนถึงข้างล่างดูสามตลบแล้วก็ไม่มีข้อตำหนิทักแข่งเลยนะชอบไปหมดเลยนั่นแสดงว่าตั้งก็ดูตั้งกับต้นจนท้ายเนี่ย ชวนะทั้งหมดเป็นโลภ้าหมดเลยเนะแต่ถ้าหากว่าเห็นรูรั่วนิดหนึ่งอ่านันโทสะแทรกแล้วนะถ้าเห็นรอยตําหนิหน่อยเนี่ยแสดงว่าโทสะแทรกเพราะอะไรเพราะขนาดมองเห็นเสื้อทานมีไหมจิตที่เป็นไปกระทานศีลภาวนาสมถะวิปัสนาพระพุทธพจน์แทรกเข้ามาว๊ดหนึ่งขนาดนั้นไม่มีเลยแสดงว่าตัณหาบริสุทธิ์เลยนะตัณหารุนรุ่ น, นเกิดชาวนะเป็นอนะตัณหาทั้งนั้นเลยเพมันมัน เกเกี่ยวไปทุกๆอารมณ์อ่ะนะถ้าเป็นผ้าลายนะทุกลายผ้าเนี่ยเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยของตัณหาหมดเลย to to life, นะถ้ายิ่งผ้าลายปันนีดขนาดไหนนะทุกๆลายเนี่ยเป็นอารมณ์ของตัณหาหมดเลยนะแล้วไม่ใช่ตัวเดียวใช่ไหยเสื้อไม่ใช่ตัวเดียวผ้าไม่ใช่ตัวเดียวข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยของตัณหาหมดเลยทั the ้นตัณหาเมื่อมันมากขนาดเนี่ยจึงเชื่อว่ามันชัดมันรกว่างั้นแ ที่จริงตัณหาเนี่ยเราจะดูได้จากจากอะไรก็ดูได้จากอารมณ์นั่นแหละสังเกตอารมณ์เลยว่าถ้าในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นนะเราไม่มีรังเกียจสักอารมณ์เลยแสดงว่านั่นคือโลภะลว้วนๆที่เกิดเลยอย่างขึ้นไปบนรถเพิบเนี่นะโอ้ไม่มีอะไรน่าตําหนี่สักอันหนึ่งเลยแสดงว่านั่นอนะ่ะตัณหาบริสุทธิ์แต่จะมีกุศลจิตแทรกบ้างก็ขณะสมาทานเมตานะ นะสมาทานเมตตาสมาทานสัมปชัญญะอะไรสักอย่างหนึ่งนะปารกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละจึงจะมีกุศลแทกบ้างแต่ถ้าธรรมดาและอกุศลล้นล้วนที่เป็นไปแต่ส่วนใหญ่แล้วยากมากผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยนะท่านใช้คําว่าชัดตรงนี้ใช้คําว่าชัดที่อื่นใช้คําว่าห่วงน้ําหมอนทับเลยเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกระจมเข้าไปในห่วงน้ําเลยปุถุชนทั่วไปเนี่ยนะ เหมือนกับอยูใ่ในกลางน้ำอ่ะนะข้างบนก็น้ำข้างล่างก็น้ำซ้ายขวาน้ำหมดเกลี้ยงท่วมทับหมดก็บอกว่าถ้าพระโสดาบันก็โผล่้นมาหน่อยโผล่มองเห็นฝั่ ง, งนั้นพระสก a t าคามีก็ไหว้พระนาคามีก็ไปยืนในน้ำนั่นแหละแต่ว่าใกล้ฝั่งและพระอรหันต์ก็ขึ้นบนบอกปุตชนเนี่ยความที่ตันหามันเกิดมากเนี่ยนะในทุกๆอารมณ์อย่างนั้นนี่ยก็เหมือนกับ คนที่อยู่กลางห่วงน้ําอ่ะที่จมอยู่ในน้ําด้วยนะแต่พระโสดาบันก็อยู่กลางห่วงน้ํานั่นแหละแต่ก็หวัวเนี่ยโผล่มองเห็นบอกแล้วนี่ น, นะถ้าสก่าทาคามีก็ว่ายออกไปเพราะปุตตชนเนี่ยเหมือนกับห่วงน้ําใหญ่เนี่ยท่วมทับโอกะคือกิเลสตัณหาเนี่ยท่วมทับเพราะเกิดซ้ําๆ ำ, ซ, ำ, ซ, ำ, ซ, ำซากซากในอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยสา ม, มารถแห่งอารมณ์ทั้งต่าและสูงคําว่าต่ําสูงนี่หมายความว่า Uh, รูปต่ําใช่ไหมธรรมรมในสูงคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะและธรรมรมเกิดตั้งกับรูปไปหาธรรมรม์เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าจากต่ําไปหาสูงหรือจากสูงไปหาต่สสําก็คือจากธรรมรมเนี่ยไหลมาหารูปารมณนะอันนี้ด um ีกาท่านอธิบายอย่างนั้นซึ่ง okay. วันต่อๆไปจะได้ขยายโดยตามแนวของดีกาในวิสุทธิมรรคไปเลยแต่นี้ก็จะอธิบายสูตรนี้คร่าวๆก่อนนะคำคำที่ว่า อารมณ์ทั้งต่ำและสูงนี่ใช่ไหมเจนพรก็คือรูปไปหาธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์มหารูปหรือจากการมมาพบไปหาอรูปประพบจากอรูปประพบมหาการมมาพบไหลวนไปกลับไปกลับมานั่นนะในเขาเรียกว่าอารมณ์ทั้งสูงทั้งต่ำแต่แล้วตัณหานี่นั้นเทพบุตรเรียกว่าชัดแปลว่ามันรกเหมอนนะทั้งภายในทั้งภายนอกคําว่าภายในก่อนภายในภายนอกเอาอะไรมาเป็นคําอธิบาย คำต้นเอาบริขารก่อนคำว่าบริขารของตนและของผู้อื่นตันหาเวลาจะเกิดก็เกิดที่บริขารคำว่าบริขารก็คือเข้าของเครื่องใช้ถ้าเป็นคารวะเนี่ยนะของใช้อะไรที่มันตันหาเกิดได้บ่อยมากก็แล้วแต่คนชอบบ้านกับบ้านนั่นแหละเป็นอารามณะปัจจัยของตันหามมากคนมีรถแต่สมัยก่อนเขาบอกว่าคนช้างอ่ะนะก็บอกว่าบริขารของเครือข่ายก็เช่นช้างเป็นต้นตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ช้างเกิดที่ม้านั่นแหละ สำไมานี้ไม่ค่อยมีช้างมีม้าก็มีรถมีที่ทํางานมีเข้าของเครื่องใช้ทั่วๆไปเนี่ยนะคนชอบคอมพิวเตอร์ก็คอมพิวเตอร์มันนะั่นแหละพวกนี้เป็นบริขารเห็นไะห ท, ทีนี้ก็บริบริขารของผู้อื่นเนี่ยนะบางคนก็ชอบในบริขารของตนบางคนก็ชอบในบริขารของผู้อื่นถ้าของบรประชิตก็เช่นโอ้จีวอนเนี่ยติดใจในจีวอของตัวหรือว่าไปติดใจในจีวอเป็นต้นของ คนอื่นเนี่ยนะมันก็ยินดีในข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดแหละใช้คำว่าบริขารขยายจากข้างนอกก่อนนะว่าตันหาจะเกิดก็เกิดในบริขารข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเหล่านั้นแหละอันนี้นัยยะที่หนึ่งนะคำว่าภายในภายนอกแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือในอัตภาพของตนและอัตภาพของคนอื่นตันหาเวลาจะเกิดก็เกิดอาศัยร่างกายของตัวนั่นแหละอย่างหนึ่งนะ แล้วก็อาศัยเกิดในร่างกายของคนอื่นนะนั้นตัหานี้เอามาเป็นอารมณะปัจจัยหมดทีนี้อีกในอย่างหนึ่งก็คือทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกตันหานี้เกิดหมดเลยคำว่าอายตนะภายในนั้นตันหาก็คือยินดีในตาหอจมูกเลนกายและใจ สีของเราเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาที่เรียกว่ารูปประพันฑ์สันฐานของเรานี่เรียกอายตนะภายนอกนะคำพูดของเราทุกคำที่เราพูดเนี่ยคาพูดอันนี้เรียกอายตนะภายนอกกลิ่นทั้งหมดเป็นอายตนะภายนอกรสก็เป็นอายตนะภายนอกโพธาะเนี่ยนะถึงอยู่ในตัวเองก็นับว่าเป็นภายนอกเป็นอายตนะภายนอกแม้กระทั่งความรู้สึกก็เป็นอายตนะภายนอกนะ เวทนาปเปจตสิกทั้งหมดเป็นอัยตนาภายนอก